คำนี้เราสัตยายพุทธคุณร้อยบทส่วนใหญ่คงจะไม่ค่อยคุ้นเคยนะกับสวดมนต์บทนี้น ะ, ะพุทธคุร้อยบทนี้ก็เป็นคำสรรเสริญพระพุทธเจ้าที่อุบาสกุบาสกท่านหนึ่งในสมัยวัฏจักรท่านมีศรัท ธ, ธาในพระพุทธองค์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 ไม่มีแม่ตามหานิยมนีอันนี้ยังไม่ใช่พุทธคุที่แท้นะพุทธคุที่แท้ก็อย่างที่เราได้สาธยายนะเป็นคุณสมบัติของพระเจ้าซึ่งรู้แล้วแต่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการนำพาผู้คนให้พ้นจากความทุกข์หรือว่าแสดงถึงความคุณสมบัติของพระองค์ซึ่งถ้าจะสรุปย่อก็เหลือแค่สองนะก็คือ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 รู้แจ้งในสัจธรรมซึ่งทำให้พ้นทุกข์นะพระพุทธคุณในความหมายหลังเนี่ยมันมีประโยชน์มากกว่าเพราปกติเราก็ ส, สวดหรือสัตยาพุทธคุณเวลาเราสวดบทที่เราอาหังสัมมาสัมพุทโธเนี่ยบวชบวรทวัดเช้าก็ดีทมวัดเย็นก็ดีก็จะมีการพูดถึงพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณ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 ไม่อยู่ในอิทธิพลของตัณหาแล้วก็อวิชชาได้เมื่อมีปัญญารู้แจ้งในสัจธรรมก็หมดสิ้นซึ่งความเห็นกกบตัวเจตใจไม่มีความเห็นกับตัวไม่มีความยึดถือในตัวตนก็ทำให้เกิดกรุณาอันไม่มีประมาณเมื่อไม่ไม่มีความเห็นกก่ตัว นำไปสู่กรุณาไม่มีประมาณนะก็ทำให้พระองค์นะเสด็จไปสั่งสอนนะให้ชาวโลกนี้ได้พ้นจากความทุกข์คนเราเนี่ยถ้าจะพูดถึงถ้าจะดาเนินรอยตามพระพุทธเจ้าให้เข้าถึงความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์นะก็ต้องประกอบไปด้วยคุณธรรมสองประการใหญ่ๆ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 เหลืออีกต่อไปมันก็มีแต่กิจที่ทำเพื่อผู้อื่นก็นำไปซึ่งประโยชน์ท่านซึ่งเกิดขึ้นได้จากความกรุณาความเมตตากรุณาพระพเะจ้านี่ถ้าจะว่าไปแล้วท่านก็ปล่อยวางหมดแล้วะการที่พระองค์ได้เห็นมีปัญญาให้จัดส่จัตธรรมก็ทำให้พระองค์เนี้ยปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างสิ้นเชิง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 ทั้งต่อสิ่งกระตุ้นเราภายนอก่นะเช่นสิ่งยั่วยั่นะหรือว่าคำพูดยั่วยุนี่าต้องมีขันติเราก็ต้องมีความอดกลั้นต่ออารมณ์ที่เกิดขึ้นในใจด้วยเช่นมีความโกรธเกิดขึ้นในใจก็อดทนได้นะไม่ไม่ปล่อยใจให้อยู่ในอำนาจของความโกรธจนกนนทั่งเผลอไปว่าเขาไปดา่าเขาไปทาร้ายเขา อันนี้เป็นหน้าที่ของคันติซึ่งถ้ามีสติด้วยแล้วเนี่ยไอการอดกลั้นหรือการที่ไม่ตกอยู่ในอำนาจของอารมณ์เช่นความโกรธหรือกิเลสเนี่ยมันก็ทำได้ง่ายขึ้นเม้่มฝึกจิตแล้วนี่ก็ต้องนำไปสู่การพัฒนาปัญญาให้เกิดขึ้นนะคือการเห็นความจริง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 หรือแม้กระทั่งไปผ่าตัดนะอันนี้มาสะท้อนเนี่ถึงการยอมรับความแก่ไม่ได้ถ้าความเจ็บความป่วยก็เช่นเดียวกันนะพอเจ็บพอป่วยก็บ่นตีโพยตีพายว่าทําไมต้องเป็นชั้นทําไมต้องเป็นชั้นนะหลายคนที่พอรว่วเป็นมะเร็งหมอบอกว่าเนี่ยเป็นมะเร็งก็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 ลืมนะลืมไปคิดว่าตัวเองเนี่ยจะต้องมีสุขภาพดีไปตลอดกาลทั้งที่ถ้าถามนะรู้ไหมว่าคนเราต้องแก่ต้องเจ็บต้องป่วยก็รู้แต่บางครั้งเราก็ลืมเราอยู่เนคนลืมแก่ทุกวันนี้เราอยู่เปนคนที่ลืมป่วย คือไม่ได้คิดว่าสักวันหนึ่งตัวยัต้องป่วยแล้วก็อยู่เหมือนคนลืมตายด้วยคือไม่คิดว่าสักวันหนึงตัวยัต้องตายแต่ถ้าเกิดว่าเราเริ่มที่จะเห็นความจริงนะว่าคนเรานี่มันต้องเกิดมาแล้วหนีความแก่ความเจ็บความป่วยความตายไม่พ้นเนี่ยพอเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นจริงใจก็จะไม่ทุกข์มากเนะนี่ยคือความจริงนะที่เราต้องเห็น นะและถ้าเราเห็นเรายอมรับมันเสียแต่ตอนนี้เดยเพราะขณะที่ยังหนุ่มยังสาวขณะที่ยังมีสุขภาพดีขณะที่ยังไกลาจากความตายเนี่ยพอความแก่ความป่วยหรือว่าความตายมาประชิดตัวเราก็ไม่ทุกข์ไม่ร้อนแลาถึงเวลามันเกิดขึ้นมันก็ทุกแต่กายใจไม่ทุกนะการเห็นความจริงนะ ในขั้นต่อไปนะก็คือเห็นว่าไม่มีอะไรที่มันคงที่เมื่อมีเมื่อได้ทรัพย์มันก็ศูนไปเสื่อมจากทรัพย์การได้ยศความเสื่อมยศนะสารเสรินินทาสุขทุกเนี่ยมันเป็นของที่คู่กันนะเหมือนสองด้านของเหรียญเดียวกัน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 เสียทรัพย์นะเสื่อมจากยศหรือว่าถูกคนดินทาก็ไม่ทุกข์เพราะรู้ว่เป็นธรรมดาเนี่ยคือความจริงขั้นพื้นฐานนะที่เราจะพูดเนี่ยต้องเปิดใจยอมรับมันเป็นความรู้นะในวิชาที่สำคัญเรื่องวิชาชีวิตนะคนทั้งวันนี้มีความรู้ ในวิชาต่างๆมากมายนะวิชาบัญชีนะวิชาวิทยาศาสตวิชาคณิตศาสตร์วิชาประวัติศาสตร์นะแต่ว่าที่มองข้าไมไปเคือวิชาชีวิตเนะนที่พูดมาเนี่ยมันก็คือความรู้และความจริงนะที่เราต้องเรียนรู้นะแล้วก็เตือนใจอยู่เสมอเพราะท้าว่า ไม่เตือนใจนี่มันก็จะเผลอเพราะว่ากิเลสตัณหาเนี่ยมันพยายามที่ทําให้เราลืมตัวนะกิเลสตัณหาเนี่ยมันทําให้เราอยากได้มากๆแล้วก็ยึดในสิ่งต่างๆนะที่มันปรนเปลออัตตาตัวตนปรนเปลอความสุขให้กับเราแลนะกิเลสตัณหาเนนะที่มัน จะคอยดักเราเอาไว้นะเหมือนกับตาข่ายที่ดักให้เราจมอยู่ในความทุกขนะ์นะเมื่อกี้ในพุทธคุณร้อยบทเนี่ยก็มีบทหนึ่งที่สารเสวนผู้เจ้าว่าเป็นผู้ที่ทรงเจาะทะลุตาข่ายคือตันหาซึ่งเป็นเครื่องดักสัตว์นะตันหาเนี่ยมันเป็นเครื่องดักสัตว์เอาไว้สัตว์นี่ก็หมายถึง พวกเราทุกคนด้วยที่ยังเป็นปุตุชนอยู่คือมันดักให้ไม่สามารถจะเป็นอิสระจากความทุกได้ทั้งที่เราปรารถนาความสุขแต่ว่าความสุขที่ผู้คนแสวงหาเนี่ยมันมักจะถูกขับเคลื่อนด้วยตันหาคือความ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 จะไม่มีวันหมดนะเจอแล้วจะไม่มีวันพราดนะเราก็ต้องรู้ทันนะอย่าให้ตัณหายมันมันปิดตาปิดใจจนกระทั่งเราไม่เห็นความจริงหรือไม่ยอมรับความจริงซึ่งมันเป็นความจริงที่ธรรมดาสามาหรือว่าชัดเจนแจม่มแจ้งแต่ว่าเราไม่ยอมรับเองต่างหาก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 แก้วคมคมแต่เราก็รู้ใช่ไหมว่าแก้วเนี่ยถ้าเราไม่ไปจับมันมันก็ทำอะไรทาอะไรเราไม่ได้หรือแม้แต่เราวางมันไว้บนมือแก้วนั้นจะคมแค่ไหนหรือว่ามีโกนด้วยซ้ำนะมันก็ทำอะไรเราไม่ได้ถ้าเราวางไว้บนมือเฉยๆแต่ส่วนใหญ่เนี่ยนะ ไม่ได้ทําแค่นั้นนะก็ยังไปกำ ม, มันเอาไว้แล้วก็ไปกําแล้วก็บีบกําแล้วก็บีบนะแก้มก็เฉือนนิ้วนะมีดมันก็เฉือนมือแล้วที่จะโทษใครนะเวลาเจ็บเนี่ยจะโทษใครจะโทษแก้วจะโทษมีดโกนหรือว่าจะโทษตัวเองนะที่ไปบีบไปกําแค่ปล่อยมันหรือแค่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 กาเชิงท่านวันไม่เป็นอะไรกับอะไรไม่เป็นอะไรกับอาการที่เกิดขึ้นกับกายและใจไม่เป็นคือไปไม่ไปยึดมันอันที่เราเห็นความจริงนะว่าไอ้ที่ทุกเนี่ยเป็นเพราะว่าไอ้ที่ทุกใจเนี่ยเป็นเพราะไปยึดเอาอาการที่เกิดขึ้นกับกายและใจว่าเป็นเราเป็นของเราความปวดเป็นของเราความเมื่อยเป็นของเรา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 เรารู้ทันแล้วก็สลัดรู้ทันแล้วก็วางมันลงได้ฉะนั้นการเห็นความจริงเนี่ยสำคัญนะถ้าเราเห็นความจริงนี้ก็เรียกว่าเกิดปัญญาเนีและอย่างที่บอกไว้แล้วปัญญามันก็มีหลายระดับนะความจริงก็มีหลายระดับหน้าที่ของเราชาวพุทธคือการฝึกสติการภาวนาการเจริญวิ ป, ปัสสนาเพื่อที่ได้เห็นความจริงจงกนกระทั่ง ปัญญาจะเลยงอกงามขึ้นตามลำดับและเมื่อมีปัญญาเห็นขั้นที่ว่ารู้ว่าทุกอย่างเป็นไตรลักษณ์เนี่ยอันนี้จังทุกขังอนัตตาไม่มีอะไรที่เป็นเราเป็นของเราอันนี้เรียกอนัตตามันไม่มีอะไรที่จะยึว่าเป็นเราเป็นของเราได้เลยเนี่ยมันก็ปล่อยวางไอความเพ่การตัวที่เคยเคยตีกรอบจิตเอาไว้ให้คับแคบมันก็ มันก็หมดไปจิตก็แผ่กว้างไม่มีประมาณก็เกิดความกรุณานะอย่างไม่มีขอบเขตอันนี้แหละนั้นที่ทำให้เจ้าชายสิทธัตถานี้ได้กลายเป็นพระเจ้าและทำให้คนจำนวนไม่น้อยนี้ได้กลายเป็นพระราหันนะ พวกเร า, า จ, จะไม่ได้บางคนอาจจะไม่ได้ถึงขั้นปรารถนาจะเป็นพระพุทธเจา้าหรือเป็นพระอาหารหันต์แต่อย่างน้อยก็คงจะปรารถนานะความพ้นทุกข์หรือว่าไกลาจากความทุกข์หรือว่าอยากจะมีทุกข์เบาบางก็ต้องฝึกให้ได้อย่างนี้นะเพราะว่าจะทําอย่างอื่นเนี่ยมันก็ไม่ช่วยทําให้ลดความทุกข์ได้จะไปทําบุญเพื่อให้มีโชคมีลาภเพื่อให้เกิดอายุวรนนสุขคาภละ มันก็ทำได้อา น, นิสมก็ได้แค่ระดับหนึ่งอะ่ะพอถึงยังไรก็ต้องหมดอายุถึงยังไรวันนะก็ต้องเสื่อมถึงยังไรสุขขาก็ต้องกลายเป็นทุกขะไปแล้วก็พละกําลังก็ต้องร่วงโรยไปไม่มีใครที่มีอายุวันนะสุขะพละไปได้ตลอดกาลแม้กระทั่งผู้เจ้านะนะก็ต้องเสื่อมอายุนะสิ้นอายุเสื่อมจากวันน่ะนะเสื่อมจากสุขะแล้วก็เสื่อมจากพละ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 เห็นความจริงจงกนกระทั่งปล่อยวางได้เมื่อถึงตอนนั้นเนี่ยให้ความเจ็บความป่วดหรือความตายก็ทําอะไรจิตใจไม่ได้มันทําได้อย่างมากก็ทํากับร่างกายแต่ว่าใจก็ยังเป็นปกติหรือว่าเป็นสุขอยู่ได้ถ้าเราอยากจะประสบกับสภาวะแบบนี้นีหรือว่าอาจจะยังเอาถึงขั้นว่าอาจจะไม่ถึงขั้นว่าจะต้องใกล้ ใกล้ความตายนะเอาแค่ว่าเวลาเจอความพัดพลาดสูญเสียเวลาถูกตำหนิตีเตียนต่อว่าด่าทอเวลาเจอประสบอุปสรรคในชีวิตเวลามีคนกลั่นแกล้งแต่ว่าใจไม่ทุกข์ใจก็ยังเป็นปกติผ่องแผ้วได้ถ้าจะปรารถนาสภาวะอย่างนี้เนี่ยมันก็ต้องฝึกที่ใจด้วยนะฝึกใจให้ มีปัญญานะเห็นความจริงอย่างที่ว่ามาเมื่อถึงคราวที่มันเกิดความผอน ผ, ลผลลวนปรนแปร ى, เพียงใดเสื่อมจากโลกธรรมใจก็สงบได้ถ้าเหมือนกับดอกบัวนะดอกบัวเนี่ยหรือใบบัวเนี่น้ำมันจะฉาบลงมาอย่างไงนะก็ไม่แปดเื้อหน้าใจที่ฝึกไว้ดีแล้วนะไม่ว่าทุกมันจะ มากระทบอย่างไรนะก็ไม่กระเทือนหรือไม่ทําให้แปดเปื้อนโมวหมองได้เอาละคำเดียวเพวกกื่อนท่นนี้นะกราบพระ